ธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้ไม่พึงมมีอยู่ในโลกแล้วไซต์ตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันต์ตัสมาสัมพุท ธ, ธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกธรรมชาติสามอย่างนั้นคืออะไรเล่าคือชาติชลาและมรณะภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้แลถ้าไม่มีอยู่ในโลกแล้วไซตตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสตัส ม, มาสัมพุท ธ, ธะและทำวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกภิกษุทั้งหลายเหตุใดแลที่ธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพราะเหตุนั้น ตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธ h และธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงต้องรุ่งเรืองไปในโลกพอสมควรครับสร้างสมกำลังัสร้างสมกำลังสมาธิจิตก็ตั้งมั่น ค่อยๆตั้งมั่นขึ้นแล้วก็จะเริ่มเห็นทางคู่ขนานหรือว่าคู่ขนานที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เรามองโลกด้วยตาขั้นเดียวเราจึงมีปัญหาแล้วเราก็ไม่เห็นความจริงเรากำลังสร้างตาในซึ่งตาใน จะเห็นคู่ขนานไปกับตานอกแล้ววันหนึ่งจะเกิดตาปัญญาขึ้นถ้าเข้าใจคำนี้จะเข้าใจโครงสร้างของมรรคเรากำลังฝึกตาในแต่วัตถุประสงค์อยู่ที่ตาปัญญาต้องอาศัยตาในเพื่อให้เกิดตาปัญญาหลายคนปฏิบัติธรรม ฝึกตาในสร้างตาในแล้วก็ติดตาในแล้วก็อยู่กับตาในแต่ไม่เกิดตาปัญญานะครับสาวกของผู้เจ้าส่วนใหญ่จะกลายเป็นอย่างนี้กันหมดเลยพอสร้างตาในก็ติดตาในก็อยู่กับตาในแล้วก็หลงมีตัวตนกับตาในกูเก่งกูแน่กับการนั่งได้นานเดินได้นาน เห็นนั่นเห็นนี่เห็นโน่นแต่ไม่เกิดปัญญาวันนี้เราสร้างตาในเราจะสร้างโดยกระบวนการของมรคนี่แหละแล้ววันหนึ่งจะเกิดตาปัญญาคือสัมมาทิฏฐิทีนี้พุทธพจน์ที่เปิดให้ฟังถ้าไม่มีธรรมชาติสามอย่างตถาคตไม่ต้องมีในโลค ธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้คือชาติชราแล้วก็มรณะแสดงว่าธรรมชาติสามอย่างเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ทั้งหมดเลยมันเริ่มต้นจากชาตินี่แหละการเกิดนี่แหละผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อกลัวเกิดไม่กลัวตายคนพยิบอ่านเนี่ยเขอะไรคนก็กลัวตายไม่กลัวเกิดทั้งหัก <c oughs> เขไม่ได้กลัวเกิดไม่กลัวตาย คนก็กลัวตายกันแต่เขาอยากเกิดคนทั่วไปอยากเกิดแต่กลัวตายวันนั้นหลวงพ่อเอียนเทศที่นี่แหละท่านพูดขึ้นมาคําคนทั่วไปเนี่ยเขาอยากเกิดแต่เขากลัวตายพระอรหันตสา ว, วกกลัวเกิดไม่กลัวตายเพราะว่าเกิดเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของความทุกข์ทั้งมวล เมื่อถอดถอนเหตุเกิดทั้งหมดความจริงการไม่เกิดเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายอยู่ที่การดับทุกข์แต่พอทุกข์ดับมันเอฟเฟกออกไปด้วยเพราะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์เป้าหมายไม่ใช่ว่าจะหยุดเกิดแต่ปฏิบัติตามมรรคมันไปชำระเหตุเกิดเข้าไปด้วยเพราะนั่นหละตัวการสำคัญ เราจะไม่ค่อยๆดูกันไปนะครับเราก็เดินทางมาได้ไกลแล้วถึงตรงนี้ทีนี้ผมจะกลับมาที่คำว่าทางคู่ขนานนิดนึ่งก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจหากใครก็ตามพรุนี้เป็นวันเกิดนะครับามีวันเกิดอีกล้วก็อยากจะทําบุญใส่บาตรเป็นธรรมชาติของชาวพุทธก็ไปซื้อข้าวซื้อของเตรียมจะใส่บาตร กลับบ้านตอนเย็นตอนค่ำก็เหนื่อยล้าเต็มทีนะครับก็ยังไม่มีเวลาที่จะจัดใส่ถุงใส่าถาให้เรียบร้อยพรุ่งนี้จะได้ทําบุญก็จึงวานอาจจะคนในบ้านเช่นสามีภรรยาหรือลูกใครก็ได้ให้ช่วยจัดการให้ตอนเช้าก่อนออกไปทํางานทีตอนนี้เพลียจังขอไปพักก่อนพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาว่าจะได้ใส่ป่าวันเกิดเช้าตื่นขึ้นมา ล้างหน้าล้างตาแจ่มใสจะลงไปทำบุญใส่บาตรลงไปปับ๊บก็เห็นถุงอยู่เหมือนเดิมที่เดิมไม่มีใครแตะไม่มีใครทำอะไรให้ทั้งสิ้นเชื่อแต่ว่าท่านปีดขึ้นเลยหนึ่งคือวันเกิดของท่านไม่มีใครสนใจที่จะทาให้วานแล้วด้วยอีกต่างหากถึงตอนนั้นก็เริ่มขุ่นแล้วก็เริ่มคล้ำครวน <c oughs> ฉั้นเนี่ย อุตส่าห์ทาให้กับทุกคนแต่ถึงขาวตัวเองไม่เห็นมีใครสนใจบ้างเลยทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะหันไปเห็นพระเดินมาพอดีคว้าไปทั้งถุงเลยแล้วก็รีบเดินจ้ำอ้าวออกไปนิมนต์ขณะที่กำลังเดินไปใจก็ขุนตลอดเวลาเ ด, วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวขอโทรไปต่อว่าสักนิดหนึ่งเต่วนันนี้ใจก็ยังขุนตลอดไม่เห็นขณะที่กาลังหยิบ ถุงเพื่อใส่บาตไปใจก็ยังขุนอยู่เรื่องเดิมอาการที่ทำไปเป็นอาการหยิบถุงแล้วก็ใส่บาตแต่ใจขนาดนั้นเต็มไปด้วยอกุศลตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเดี๋ยวนี้ขณะที่ใส่ก็ยังเต็มไปด้วยอกุศลจนใส่เสร็จพระเดินไปแล้วหันไปมองเพราะใจที่มันกำลังขุนภาพที่เห็นจึงเป็นภาพที่สัตว์นรกเห็น แม่พระนี่ไม่สํารวมเลยดูดิเดินนี่จะเอาของเราไปขายมิเนี่ยไปนน่นหันไปเห็นอีกองคหนึ่งโอ้องค์นี้เดินสํารวมดีจริงน่าจะใส่องค์นี้ไม่น่าใส่องค์นั้นเลยองค์นี้ถ้าใส่คงจะได้บุญมากกว่าไม่หรอกมันบาป ท, ทั้งนั้นะเพราะใจมันบาปตลอดการกระทําที่เรียกว่าทําบุญ ปากที่บอกว่าอาการทําบุญแต่ใจไม่เคยเป็นอกุศลแม้แต่ขณะเดียวไอ้ไม่เคยเป็นกุศลแม้แต่ขณะเดียวเต็ไมไปด้วยอกุศลตลอดพระเจ้ากระตัดว่าปลูกต้นอะไรก็ได้ต้นนั้นนะปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงทํำไมเราถึงไม่เห็นเลยมีคนทูลถามพระเจ้าตอนสามเดือนก่อนปรินิพานว่าทําบุญยังไงให้ได้อนิสงฆ์มาก ท่านก็บอกว่าต้องประกอบด้วยองค์หกหนึ่งก่อนทำผู้ทำมีจิตใจผ่องใสเบิกบานขณะธรรมจิตใจผองสใยเบิกบานหลังทำจิตใจผ่องใสเบิกบา น, อา เ, บอบานเอาข้อนั้นมาเช็คกับคนเมื่อสักครู่ก่อนทำอกุศลขณะรมอกุศลหลังธทมอกุศลเสร็จการ ง, งานนี้สี่ห้าหกเป็นส่วนของผู้รับท่านตรัสว่า หากผู้รับเป็นผู้ที่ปราศจากโมหะหรือกำลังบำเพ็ญเพียรเพื่อออกจากโมหะหาผู้รับเป็นผู้ที่ปราศจากราคะหร ouais ือกำลังบำเพ็ญเพียรเพื่อออกจากราคะ 6. ผู้รับเป็นผู้ที่ปราศจากโทสะหรือกำลังบำเพ็ญเพียรเพื่อออกจากโทสะบุคคลแรกผู้ที่ปราศจากราคะโทสะโมหะคือพระอรัน์แน่นอนที่สุดทาบุญกับท่าน ได้อนิสงส์มากเป็นเนื้อหาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าส่วนที่บอกกําลังบาเป็นพ็นเพื่อออกจากก็ไล่กันลงมาพระนาคามีก็ละโลภะได้ละโทสะได้พระสกิทาคามีก็ชําระทั้งสามตัวจนเบาบางแล้วพระสวสดาบาลก็ยังมีทั้งสามตัวอยู่นะครับแต่ก็อยู่ในระดับที่ไม่สามารถเปิดอบายได้แล้ว ส่วนนอกนั้นกัลยาณชนทั้งหลายที่กำลังบมาบำเพ็ญเพียรเนี่ยก็อยู่ระหว่างการชำระทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการที่ทำบุญกับท่านทั้งหลายเช่นนี้จึงมีอนิสง์มากถ้าพูดถึงตัวอนิสงฆ์นะแต่ก็ไม่ได้อยากจะให้ไปคิดถึงเรื่องบุญมากหรอกต่างคนก็ต่างทาเพื่อให้ดีกว่าง่ายกว่าเพราะฉะนั้น องหกที่ท่านพูดถึงในส่วนของผู้กระทำเองมี3ก็คือก่อนทําขณะทำหลังทำผ่องใสเบิกบานส่วนองค์6อีกสี่ห้าก็เป็นส่วนของผู้รับก็คือที่เราสวดมนต์กันคู่แห่งบุรุษสีคู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนี่แหละสงสาว่าของพระผู้มีพระพักเจ้าอาหุน่นเลอะไรเป็นสงควรแต่ศักรารที่เขานำมาบูชาเนี่ยคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษก็หมายถึง ก็โสดาบันสกิทาคามีพระนาคามีแล้ก็พระอาหารหันต์ส่วนสี่คู่ก็หมายถึงในขณะที่เกิดการชําระโสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลยังไม่เกิดผู้ที่ชําระโสดาปฏิมักไปแล้วก็ถือเป็นพระโสดาบันแต่โสดาปฏิผลยังไม่เกิดนะครับจะเกิดการชําระกิเลสลงไปแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดขึ้นพระเจ้าเคยตรัสว่าผู้ที่กัดอ่าดิ ได้โสดาปิมรักแล้วอย่าเพิ่งทํากาละจนกว่าจะได้โสดาปิผลคืออย่าเพิ่งตายก่อนนะให้ได้โสดาปิผลก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยทํากาละนะสกิทาคามีมรักสกิทาคามีผลอนาคามีมรักอนาคามิผลอรหัตมรักอรหัตผลนี่ก็คือบุตรสี่คู่นะครับคือเป็นขณะเอาละตรงนี้เป็นรายละเอียดไม่มีปัญหาเราก็ดูกันว่าพระโสดาบันพระสกิทาคามีอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์นี่แหละ เป็นบุตรสี่คู่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ที่พระพุทธเจ้าสามารถฝากศาสนาไว้ได้ไม่งอนเงันคลอนแคลนอีกเนื่องจากเป็นผู้ที่อย่างพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ที่ละสักกายะทิฏฐิอะไรคือสักกายะทิฏฐิความเห็นผิดในความเป็นตัวตนเราจะเริญภาวนากันก็เพื่อให้รู้แจ้งตรงนี้แหละว่ามันไม่มีเราจริงๆมันไม่ใช่เราเมื่อวานก็บอกแล้ว คำ ว, ว่าไม่ใช่เราขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสังเกตจากการนั่งสมาธกิก็นี่เรานั่งไม่ใช่เหรอด้วยความที่มันคุ้นเคยเคยคุ้นกับสิ่งที่สั่งสมมนานานเนี่ยมันถึงต้องอาศัยความตั้งมั่นของจิตขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งจุดหนึ่งมันจะเห็นแวบไม่ใช่เราเดี๋ยวมันก็เป็นเราอีกแล้วไม่เป็นไรให้มันเห็นทีละแวบละแวบละแวบละแวบไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะบ่อยขึ้น บางคนพอเห็นเข้าไปจังๆเนี่ยหลายคนดีกว่าที่มาเล่าให้ผมฟังส่วนใหญ่จะนั่งร้องไห้มันเหมือนสิ่งที่เราเคยยึดถือเป็นของเราแต่วันนึงมันเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ของเราเหรอมันร้องไห้ผมก็ยังแต่ผมเข้าใจแต่ผมมีความรู้สึกว่าเวลาเราั่งคิดเนี่ยสมมติว่าเรา ได้ปากกามาด้ามหนึง่งเราก็หลงใช้ปากกาเนี่ยโอ้แต่วันหนึ่งเรารู้ว่านี่ปากกานี่มันไม่ใช่ของเรามันไม่ได้เป็นของเราหรอกมันก็เป็นปากกานี่แหละนั่งร้องไห้ว่าเรายึดปากกามาตั้งนานที่แท้มันไม่ใช่ของเราหเหรอพอเห็นความจริงกลับกลายเป็นสลดใจแต่มันต้องสลดใจนั่นแหละต้องสลดใจมันถึงจะถอดถอนจะสลดใจรู้สึกเหมือนกับเราถูกหลอกทาไมเราถึงถูกหลอก มาตั้งนานแล้วหลังจากนั้นจะเข้าสู่วิถีใหม่นะครับจิตใจก็จะเริ่มเข้าสู่วิถีใหม่ซึ่งจะเคยคุ้นกับการที่ไม่ใช่เรามากขึ้นเรื่อยๆทีนี้ไอ้คำ ว, ว่าไม่ใช่เราเนี่ยมันพูดกันไม่มันพูดกันยากเนื่องจากว่าความเคยคุ้นเนี่ยและยิ่งคำว่าพระสวสดาบาลเนี่ยละศักกายทิฏฐิความเห็นผิดในความเป็นตัวตน เอาอย่างนี้ผมจะยกตัวอย่างให้หากสิ่งเนี้ยซึ่งเราเรียกว่าเป็นเป็นขันก็นแล้วกันเป็นขันหน้าตาเหมือนขันแต่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นผมได้อันนี้มาเนี่ยผมเรียกมันว่าแก้วผมไปที่ไหนที่ไหนก็บอกเออช่วยเอาน้าใส่ให้ผมแก้วหน่อยสิคนก็บอกขันอาจารย์ไม่ใช่แก้ว แล้วเถียงก็อยู่พักหนึ่งอ่าไม่ไปแล้วเอาน้ําใส่ให้เขาขี้เกียจเถียงผมก็รู้สึกว่านี่มันเป็นแก้วมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งผมเริ่มสงสัยเหมือนกันว่าทําไมใครๆเขาไม่พูดแก้วเลยก็เริ่มสังเกตค่อยๆสังเกตดูจนกระทั่งรู้ว่าแบบนี้ต่างหากเรียกแก้วแบบนี้ไม่ได้เรียกแก้วแบบนี้เรียกคันผมถึงอ๋อขอโทเอ้ย มันเป็นขันเนียวไม่ใช่แก้วไอขันเนี่ยมันเคยเปลี่ยนเป็นแก้วสักวัน้ไหมไม่เคยคำว่าละความเห็นผิดเนี่ยหมายถึงอย่างนี้คือหลงคิดว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดแต่สุดท้ายมันไม่ใช่แล้วมันก็ไม่เคยเป็นด้วยขันห้าเนี่ยนะ เดีย๋ยวดูว่าจะไปวันนี้จะไปได้ไหมเพราะถ้าอธิบายขันห้าเมื่อไหร่เนี่ยทีนี้จะพูดกันได้ขึ้นเยอะขันห้าเนี่ยไม่เคยเป็นเราแม้แต่วินาทีเดียวเราไปคิดตัวเอามาเป็นของเราวันนั้นผมไปบรรยายที่หนึ่งผมพูดอย่างเนี้ยผู้ชายคนนึ่งก็นั่งร้องไห้อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยน้งร้องไห้ คืเขามีความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยังไงอะว่าเราไปคิดตู่เอาเองว่ามันไม่เคยเป็นของเราแล้วเราก็มายี่ยเป็นของเราเป็นตู่เป็นตะเลยมันไม่เคยเป็นของเราแม้แต่วินาทีเดียวแต่เราบอกว่านี่ของเราดีเรานี่พอเราเจ็บเราก็บอกว่าเฮ้ยเราเจ็บจังเลยมันเป็นไปตามกระบวนการทํางานของเขาล้วนๆเลย แต่เราก็ไปขโมยไปยึดเข้ามาทีนี้ทํายังไงให้จิตมันตั้งมั่นจนกระทั่งเห็นสำมาสมาที่ในมรรคองค์ที่8เนี่ยอาศัยความตั้งมั่นของจิตอย่างเช่นทางคู่ขนานที่ผมบอกเนี่ยมันต้องเริ่มเห็นคล้ายๆภาพเชิงซ้อนกันในภาพเดียวกันจะมีเชิงซ้อนอยู่อย่างเช่นใครที่เคยได้ยินเพื่อพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำทํำไมต้องกายในกายทํำไมไม่กายตัวเดียวทุกคนเห็นกายตัวเดียว แต่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อทําให้เห็นเห็นภาพเชิงซ้อนของกายอย่างเช่นบางคนไปถนัดเห็นอสุภะกรรมฐานก็จะเห็นอสุภะเหมือนกับเขาสําเนาโรเนียวเนี่ยทาบลงไปบนกายเนี่ยมันจะเห็นภาพเชิงซ้อนขึ้นเฮ้ยมันพิชิเราเนี่ยมันก็แค่เป็นธาตุเนี่ยหรือเป็นภาพปฏิกูลที่หน้ารังเกียจที่เรามายุดของเน่าของเสียอยู่ได้ยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยมันเห็นเป็นภาพเชิงซ้อน เขาเรียกกายในกายนะครับกายในกายถ้าเราเห็นกายตัวเดียวเนี่ยเราจะเห็นยึดยึดกายเนี่ยเป็นรูปเป็ น, เ ป, นเป็นเราเป็นตัวตนบุคคลเราเขาแต่เรามาฝึกปฏิบัติเนี่ยเอ๊ะเกิดความตั้งมั่นให้เห็นความจริงบางคนก็จะไปเห็นว่าเหมือนหุ่นยนต์เหมือนก้อนธาตุเหมือนอตัดส่วนเห็นแค่อาการเคลื่อนของแขน ก็จะเห็นอุ้ยมันทํางานของมันเองเนี่ยนั่งๆอยู่เห็นมีคนเดินมามันปุ๊บมันหันไปมองเราสั่งมันตอนไหนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยพอมันเกิดความตั้งมัานมันจะเริ่มเอ๊ะขึ้นมาบ่อยๆมันสั่งมันตอนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ปวดชีธาตุน้ําไหลเข้าทํางานปุ๊ตามกระบวนการมันก็ปล่อยออก เราไปทําอะไรมันตอนไหนเนี่ยแบบไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเหมือนกับคนตาดีแบอบกว่าพี่สูจดไปเหอะมันต้องเจออยู่แล้วเพราะมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าพระอทิตย์มีอยู่จริงขันห้าไม่เคยเป็นเราแม้แต่วินาทีเดียวพี่สูดไปเหอะเดี๋ยวก็เห็นไอ้ที่ไม่เห็นก็เพราะว่ามันถูกมิจฉาทิฐิปิดบังเอาไว้จนหมด มันก็เลยไม่เห็นการเกิดดับไม่เห็นความจริงของสปปรรพสิ่งเพียงวันนี้ขับมาพิสูจน์เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิให้เห็นความจริงเห็นความจริงแล้วจะทำไมเหรอทุกจะลดเกี่ยวอะไรอะ่ะทุกไม่ใช่การมีสติแล้วลดเหรอสติเนี่ย ช่วยได้ในระหว่างทางแต่มันไม่จบสติจะช่วยให้เกิดปัญญาในอนาคตสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือปัญญาสติช่วยในระหว่างเดินทางแต่สุดท้ายสติก็จหมดก็ไม่จำเป็นเมื่อถึงจุดสุดท้ายก็ไม่จำเป็นเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็ทิ้งกันหมดทั้งสติทั้งปัญญาก็ไม่เอาเพราะรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรทีนี้วันนี้ แค่ว่าจะให้กลับมารู้ความจริง เ, เอาที่เมื่อกี้เราเปิดฟังก็คือเราไม่รู้ทุกข์เหรอ สั้นเด็กผู้ชายปิ๊งเด็กผู้หญิงอยากได้เป็นแฟนก็เลยเขียนโน้ต I love you do you love me แล้วก็มีแย s กับโนตด้วยแล้วก็ยื่นให้เด็กผู้หญิงตอบโนก็เลยจ่อยหันไปปิ๊งคนใหม่ก็เริ่มต้นใหม่ทีนี้รู้จักรีไซเคิลฉลาดหน่อยแล้วมันทำไมแล้ว ภาพเด็กผู้หญิงกระทบตาเด็กผู้ชายถูกไหมครับหลังจากนั้นเกิดเป็นความพอใจจากความพอใจขยายตัวเป็นตันหาอยากได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นเจ้าของตันหาบีบคั้นในใจจึงเกิดการเขียนโน้ต I love you do you love me Yes กับ No แล้วก็ส่งออกไป <c oughs> ก่อนที่ผมจะผ่านตรงนี้ไปผมถามว่าเด็กคนนี้มีสติรู้สึกตัวไหมครับไม่มี ขณะที่เด็กคำนี้กําลังเกิดตันหาอยากได้เด็กผู้หญิงมาเนี่ยตอนนี้ทุกข์ไหมครับท่านว่าตอนนี้เขาทุกข์ไหมครับทุกข์ท่านบอกนะผมถามอีกครั้งหนึ่งว่าเขารู้ไหมเข า, าเขาทุกข์ไม่รู้เลยเขารู้อย่างเดียวว่าถ้าเขาได้เด็กผู้หญิงคนนี้มาเนี่ยเขาจะมีความสุขมากถ้าเขาไม่ได้เขาทุกข์เขารู้อย่างเนี้ยอย่างนี้เรียก ผู้ตุชนผู้ไม่ได้สดับหลังจากยืดโน้ตเสร็จก็เชงเงื้อแง่แหลมองผมถามสามคำถามเดิมหนึ่งามีสติไหมครับไม่มีสองทุกไหมครับตอนนี้อันนี้ความทุกชัดเจนขึ้นนะครับถ้าเมื่อสักครู่ความทุกซักสามแต้ม ตอนนี้อย่างน้อยก็คงขึ้นเป็นห้าแล้วล่ะหรือหกล่ะความทุกข์เริ่มบีบคั้นมากขึ้นแล้วตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ตัวเลยคำถามที่สามก็คือว่าเดี๋ยวนะเขารู้ทุกข์ไหมไม่รู้สามคำถามตอบเหมือนกันหมดตอนนี้เห็นคำตอบแล้ว เรื่องจ่อยละสามคำถามเหมือนเดิมตอนนี้มีสติไหมครับไม่มีตอนนี้ทุกข์ไหมครับทุกข์เขารู้ไหมครับว่าเขาทุกข์รู้เพราะตอนนี้เขาเป็นทุกข์แล้วเห็นหรื อ, อยังครับกระบวนการก่อนหน้านี้สองคำถามเขาไม่รู้ทุกข์ แต่ทุกเกิดค่อยๆดีกรีสูงขึ้นสมมุติว่าตอนนี้ขึ้นมาถึงแปดแต้มจากสามหกแล้วก็แปดพึ่งจะรู้ตอนแปดเพราะฉะนั้นแปลว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเครื่องไม่เตือนเลยหากสติเป็นเครื่องวัดแผ่นดินไหวหรือเซนเซอร์เนี่ยมันไม่กระดิกเลยนะเนี่ยจำตอนที่ท่านดูจระเข้งับไม่งับงับไม่งับได้ไหมครับแบบเดียวกันเลยนะครับไม่เตือนเลย เวลาท่านไปเดินห้างแล้วเห็นเสื้อตัวโปรดอ้ตัวนี้เอที่เลงมานานแล้วขนาดนั้นลด 50% เลยผมถามว่าตอนนั้นสามคำถามเหมือนเดิม <H uman> ลองถามตัวเองหนึ่งเรามีสติรู้สึกตัวไหมไม่ <laughs> สองอยากได้ไหมอยาก <laughs> ทุกไหมทุกรู้ไหมไม่รู้รู้อย่างเดียวทาไม่ได้อ่ะทุก เกิมีคนเดินตัดหน้าป๊อปซื้อเป็นตัวสุดท้ายฮะอ้หุ่นใส่ไม่ดีคนนี้เอ้าไม่รู้นิสัยไม่ดียังไงถ้าเราซื้อก่อนแต่เขาซื้อที่หลังเขาก็พูดเหมอนนอุ้ย น, นิสัยไม่ดีคนนี้ซื้อตัดหน้าฉันไปเหมือนกันเนี่ยตัวกูทั้งนั้นแหละนะเริ่มค่อยๆ ย, ยอมรับขึ้นมาหน่อยว่าเราไม่รู้ทุกข์แฮะแล้วทุกอย่างเงี้ยเกิดตลอดเวลา เมื่อเราปฏิบัติไปอสมมติว่าตรงนี้คนเป็นทุกข์ที่แปดแต้มเมื่อเราปฏิบัติไปเครื่องดีเทกเตอร์เรามันจะเริ่มดีโปรแกรมแล้วก็อัปเกรดใหม่เจ็ดเริ่มเตือนดีขึ้นแล้วหกเริ่มเตือนห้าเริ่มเตือนสี่เริ่มเตือนสามเริ่มเตือนสองเริ่มเตือนอย่างเงี้ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆคุณภาพของเครื่องของเราข้างในในตาในเนี่ยมันจะเริ่มเตือนเร็วขึ้น เพราฝึกไปมีแต่ได้ไม่มีเสียวันนี้ที่มันพลาดก็คือว่ามันเลยไปไกลมันจึงเป็นทุกข์ไม่ได้รู้ทุกข์อย่างนี้เขาเรียกเป็นทุกข์เขาไม่เรียกรู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์มันไม่ถึงขนาดนี้หรอกแล้วรู้เข้าไปมากๆเนี่ยมันจะถอยหลังออกจิตจะถอยหลังออกรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์แต่ไม่เข้าไปผสมกับทุกข์เห็นทุกข์แต่ไม่ไม่เป็นทุกข์รู้ทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นทุกข์ อย่างที่พระเจ้าตรัสว่าวันนี้เราไม่รู้สึกเลยว่าความเกิดความแก่ความตายมันมันไม่ดีตรงไหนเละมันก็เป็นธรรมดาไม่ใช่เหรอผมตึงเปิดให้ฟังพุทธพจน์ิมิคีที่พระเจ้าตรัสว่าผู้ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดก็คือทุกคนแหะที่เห็นความเกิดเป็นธรรมดาท่านพูดตรงๆแต่ท่านไม่เห็นความเกิดเป็นธรรมดาแต่เห็นความเกิดเป็นทุกข์จนกว่าเรามาปฏิบัติเราจึงเห็นว่าโอ้ความเกิดเป็นทุกข์เนาะ เพราะเราจะเริ่มเห็นจากความตายเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ทีนี้มนุษย์เนี่ยเป็นเหมือนกับภาสิตที่บอกว่าไม่เห็นโลงไม่หลังน้ำตาวันนี้เราไม่รู้สึกอะไรเลยถามว่าทุกคนต้องตายใช่ไหมใช่คนที่เรารักทุกคนต้องตายใช่ไหมใช่เราก็ใ้อริจังเนี่ยเข้าใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ล้วก็ต้องดับไป คลิ้งมาตอนนี้เลยคนที่ท่านรักตายแล้วเมื่อกี้เนี้ข้ามถนนโดยรถชนหัวฟาดพื้นมันสมองแตกออกมาข้าง น, นอกเลยแล้วแท็กซี่ไม่คันทับเข้าไปกลางล่างเลยไส้แตกออกมาเลยแค่เห็นภาพอ m a g i n e นี่นก็รับไม่ไหวแล้วภาพที่บิวที่สังขารพุ่งขึ้นมาในใจภาพอย่างเนี้ยถ้าเกิดกับใครที่บ้านเราคงรับไม่ได้ไหนบอกเข้าใจเนีไงไหนบอกเข้าใจ อ, อนิจจังเลย แล้วทำไมทุกข์อะมันไม่ได้เข้าใจจริงๆหรอกพอถึงเวลาโดนเข้าไปจริงๆก็เข้าใจได้แต่ทาใจไม่ได้แล้วต้องใช้เวลาทำใจเยอะไม่ล่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะบางคนผมก็เห็นตั้งหลายเดือนกว่าจะทำใจได้แล้วพอทาใจได้แล้วเป็นเนยก็อืมก็เป็นปกติได้แล้วทำไมใช้เวลาทำใจนานเกิน่ะ ถ้ามีใครที่เข้าใจเป็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ3เดือนที่ใช้เวลาทำความเข้าใจอาจจะเหลือวินาทีเดียวปับป๊บปั๊บจบเมื่อไรก็ตามที่จิตมันโผล่ขึ้นมามันเห็นความจริงว่าสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาทุกจะหายไป 90% เปอร์เซเพราะฉะนั้นวันนี้เราเริ่มยอมรับว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นข้างใน จำเป็นต้องมีตาไนที่มีประสิทธิภาพวันนี้เรามีตาไนที่ไม่มีประสิทธิภาพพอเครื่องเตือนที่ทาให้เกิดสิ่งเหล่านี้ให้เห็นความจริงเพราะมันต้องการกระบวนการต่อไปไม่ใช่แค่เตือนแต่กระบวนการต่อไปที่ต้องการให้เห็นสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรม รูปธรรมผมขนเล็บฟันหนังก็เห็นได้เห็นได้ดูเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายดูผมว่าดูวันนี้กว่าจะรู้อีกทีสามสิบวันถึงจะรู้ว่ามันยาวแปวันจะรู้ว่ายาวสิบห้าวันถึงจะรู้ว่ายาวมันก็ไม่ได้เห็นแต่ละขนาทีเดียวแต่มันเห็นการเกิดดับของกายของรูปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูที่อายตนะ เอาละอันนี้เราคิดว่าพอเข้าใจได้นะครับพอเข้าใจได้เรามาที่เรื่องขันเลยดีกว่านะครับเวลาเราพูดอะไรมันจะได้เข้าใจง่ายขึ้นถ้าผมเปิดขันห้าแบบนี้เนี่ย ปริยัติแบบนี้เนี่ยรูปประคันกองรูปส่วนที่เป็นรูปร่างกายพฤติกรรมและคุณสมบัติต่างๆของส่วนที่เป็นร่างกายส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรม ท, ทั้งหมดสิ่งที่เป็นร่างพร้อมคุณและอาการท่านก็ไม่ค่อยรับอะเอามาในเชิงปฏิบัติเลยแล้วกันรูป เอามือขวาจับมือซ้ายับแขนซ้ายครับแล้วจับกินเนื้อที่เนี่ยรูปขัน้าเนี่ยเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยห้ากองเนี่ยทำไมเขาถึงเรียกเป็นกองทำไมสับพระชอบใช้อะไรแปลกๆอยู่เรื่อยอย่างนี้นะครับคนมักจะรู้สึกอนี้เพราะว่าคำพูดทุกคำพูดเนี่ยมันเป็นความจริงตามนั้น เพียงแต่คนยังไม่เห็นวันข้างหน้าพอเห็นละเอียดถ้าไม่พูดให้ถูกไว้ทั้งต่ต้นมันจะเกิดปัญหาสำหรับผู้เดินทางไอ้นี่ประกอบด้วยอะไรอะดินน้ำไฟลมถ้าแยกมันออกมาเป็นกองมันเป็นมันเอามารวมกันกรอ บ, อบหลายๆอย่างมารวมกันเป็นรูปเลยเป็นไอเนียถ้าย่อยมันออกมันก็เป็นหลายๆชิ้นหลายๆอย่าง แล้วมันไม่เป็นกองอยังไงอ่ะพอกอบกรอบกอ บ, กอบมารวมกันเป็นเนี้ยเป็นไอเนี้ยก็เป็นกองรูปไง ม, มันไม่ได้มาจากแท่งๆอะไรมาแบบเป็นก้อนๆมาก็เปล่ามันเป็นกองเข้ามารวมกันถึงเรียกกองรูปถ้าพูดถูกทุกอย่างแหละแต่คนเข้าใจมันเข้าใจเป็นไม่ถึงแค่ น, นั้นแหละแต่วันนี้เราจะทําความเข้าใจในระดับการเดินทางรูป นะครับกินเนื้อที่ไม่ยากเวทนาตอนนี้รู้สึกไหนครับรู้สึกไหนครับเฉยเยก็เป็นหนึ่งในความรู้สึกมีใครมีความสุขไหมครับไม่มีเลยนะครับมีใครมีความทุกข์ไหมครับ ไม่มีนะครับมีแต่คนเฉยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะรู้สึกยังไงก็ตามก็เป็นหนึ่งในเวทนาเท่านั้นเองเอาละไม่ว่าจะสุขจะพอใจจะทุกข์จะไม่พอใจจะเฉยๆก็เป็นหนึ่งในเวทนาเท่านั้นแหละครับมาถึงสัญญาให้ทุกคนนึกถึงห้องนอนที่บ้านครับเตียงนอนของท่าน หัวเตียงของท่านบนเตียงมีอะไรนึกได้อยู่แล้วสัญญาความจำได้หมายรู้ก็มีสัญญาหัวใจที่อยู่บนจอเนี่ยสีอะไรครับสีแดงทาไมถึงรู้ว่าสีแดงมีสัญญามันเคยศึกษามันเคยได้รับการประสบการมาตั้งแต่อนุบาลแล้วครูก็สอนอ่ะสีแบบนี้เรียกสีแดง แสงมากระทบตาเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยสีอย่างเนี้ยเรียกแดงโอเคความถี่แบบเนี้ยเรียกสีแดงรู้คำว่าคำว่าขันห้าที่มุมบนถ้าผมเปลี่ยนเป็นภาษาแขกอ่านได้ไหมครับอ่านไม่ได้เพราะไม่มีข้อมูลไม่มีสัญญาอ่านไม่ออกแต่พอเป็นภาษาไทยพว๊บอ่านได้ภาษาอังกฤษพว๊บอ่านได้ แต่ภาษาแขกอ่านไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีมพอเข้าใจแล้วสำคัญให้ท่านนึกถึงคนที่ท่านรักแล้วก็เพิ่งจะไปเที่ยวกันมาความคิดปรุงแต่งหรือว่าขณะที่นั่งสมาธินั่งคิดไปถึงอะไรสักอย่างก็เริ่มเกิดความคิดปรุงแต่งงานที่ทำ ง, งาน เราลามาหลายวันจะเป็นยังไงบ้างอะไรก็คิดปรุงแต่งไปเรื่อยคิดถึงแฟนคิดถึงอะไรก็ปรุงปรุงปรุงตอนนี้ก็จะโทรศัพท์ไปหาใครหนะ้าอะไรอา้าวละเดี๋ยวใจเริ่มขุนแล้นะคิดไปคิดไปปรุงไปอา้าวกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยเนะี่ยความคิดปรุงแต่งวิญญาณวิญญาณเนี่ย จะว่าตัวแสบก็แสบทีเดียวะเอาใหม่นะครับทีนี้เรารู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขานนะรแล้วมารู้จักวิญญาณกันหน่อยให้ทุกคนรู้ลมครับวิญญาณกำลังตั้งอาศัยอยู่ที่ลมให้ไปรู้ที่เข่าครับ ก้คนครับถามว่าตอนนี้ท่านรู้สึกยังไงครับเฉยๆวิญญาณกำลังตั้งอาศัยอยู่ที่เวทนาไปรู้ลมครับวิญญาณตั้งอาศัยอยู่ที่รูปให้ไปคิดถึงห้องนอนครับเวทนาอ่ะ วิญญาณตั้งอาศัยอยู่ที่สัญญาวิญญาณเหมือนกาวฝากนะครับเที่ยวไปแปะอยู่ที่เพื่อนอาศัยขันทั้งสี่เป็นที่ตั้งของตัวเองมันไม่เช่าออฟฟิศเนะี่ยมันอาศัยเพื่อนนะครับไปเรื่อยเกิดดับตามขันเพื่อนเนี่ยนะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยนะครับเมื่อ ประมาณเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยมีนักธุรกิจหนุม่มคนหนึ่งกระโดดเข้ามาสู่เส้นทางการเมืองแล้วก็ก่อร่างสร้างพรรคการเมืองใหญ่ขึ้นมาจนกระทั่งขึ้นสู่อำนาจได้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นก็ดำเนินการบริหารบ้านเมืองมาจนวันนี้มีทายาทเป็นน้องสาวขึ้นดาลงตาแหน่ง ภาพในใจของท่านคือใครครับไม่ต้องบอกผมก็ได้ท่านจะค่อยๆปรุงแต่งสร้างมันขึ้นมาเรื่อยจากข้อมูลที่เติมเข้าไปอาจจะขึ้นมาทั้งพี่ทั้งน้องเลยก็ได้จากข้อมูลที่ค่อยๆใส่เข้าไปที่แรกมีหน้าพี่ขึ้นมาก่อนแล้วเห็นชุดเห็นอะไรด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีหน้าน้องตามขึ้นมาเห็นหครับว่าสังขารทางานยังไง แล้วมันทำงี้ทั้งวันรู้เรื่องเปล่าแล้วเสร็จแล้วก็วิญญาณก็เข้าไปตั้งอาศัยอยู่เนี่ยใครชอบก็เป็นสุขเวทนาเกิดเห็นไหมถ้าใครไม่ชอบก็เป็นทุกข์ใครไม่สนใจการเมืองเลยเฉยๆเห็นยังไอ้พวกนี้เป็นแค่อาการของมันเนนฉยๆกระบวนการพวกนี้เกิดทั้งวันพอชอบก็เกิด ไปให้อาหารอาวิชชาต่อเขาเรียกว่าเป็นราคานุใสพอไม่ชอบก็เกิดปฏิคานุใสฝังรากลึกต่อไปพอเฉยๆก็โง่อีกเป็นอวิชานุใสเอา้าโดนสามเด้งเลยสามอาการโดนหมดเป็นอาหารของจิตโง่หมดเลยเนี่ยเมื่อไหร่ไม่มีสติไม่ังเกษตรมันเขาทำงานกันอยู่อย่างนี้ผมถามว่า ไหนเราไหนเราเราอยู่ไหนเอากันตรงไปตรงมาเลยเราอยู่ไหนไม่มีอุปโลกสร้างนางมาทำขึ้นมาตัวแล้วก็มาเจ็บปวดกับมันเองไม่เคยมีเลยให้ตายสิ <c oughs> มันไม่มี แล้ววันที่เรามาจากไหนเนี่ยพอใครด่าที่มันด่ากูอ๋อยู่ตรงไหนเนี่ยกูอยู่ไหนอ่ะมันด่ากูไหนอ่ะเสียงกระทบปั้งนะครับเกิดผัด ส, สะวิญญาณเข้าไปแปรค่านะกระบวนการเนี่ยเสียงที่เป็นรูปมาตามเป็นคลื่นกระทบปั้งเข้าไปในหูเนี่ยเสียงกระทบหู นะอยายทานภายนอกกระทบภายในมีโสตวิญญาณไอตัวนี้แหละเข้าไปแปลค่าวิญญาณตัวนี้มันเป็นลูกน้องของอวิชชาคือความไม่รู้มาแต่ก่อนพอมันแปลเสร็จมันไม่ได้แปลธรรมดาว่าเป็นเสียงเป็นลมปากที่ท่านบอกว่าเป็นลมปากเป็นเสียงหรอกแต่มันแปลว่าไอเสียงเนี่ยเป็นคดาด่าแล้วมันด่าพกุกมด่ากูเพราะความไม่รู้นี่แหละ ที่มีวิญญาณที่มันไม่รู้นี่แหละวันเนี้ยจะทํายังไงจะดัดนิสัยวิญญาณเนี่ยไปเอาของไม่จริงออกเอาอาวิชาที่มันสั่งสงอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารการปรุงแต่งสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณนี่แหละจะไปจัดการกับมันยังไงต้องใช้มรรคมีองศาวันนี้เราจัดการได้แต่ตำํตำข้างล่างข้างล่า ง, า ง, างนิดนิดหน่อยหน่อยสติเข้าไปขวางที่ผัสสะที่อะไรแต่ก็โอเคแหละนะั่นก็ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้แหละไม่งั้นจะขึ้นไป วนขึ้นไปได้ยังไงขนาดวันนี้ข้างล่างยังไม่ทันกันเลยนะครับเนั้นไอ้ต้นๆเนี่ยโอ้โหต้องอาศัยกําลังเยอะทีนี้เรามาดูเพื่อทำความเข้าใจให้มันชัดเจนไปเลยทีนี้เวลาพูดถึงขันห้าจะได้ไม่ต้องอธิบายอีกรู้ลมครับวิญญาณตั้งอาศัยอยู่ที่รูปเข้าใจแล้วนะครับ ถ้าเป็นลูกก้นวิญญาณก็อา ศ, าศาัยอยู่ที่รูปนั่นแหละจะบอกว่าก้นเดีจะกลายเป็นบัญญัติขึ้นมาอีกนะอยู่ที่รูปนะไม่ใช่อยู่ที่ก้นไอ้นี้่มันเป็นดินน้ำไฟลมเป็นธาตุเป็นอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่เราก้นอยู่มันเป็นบัญญัติที่เอาไว้เรียกเฉยแต่เอาละถ้าเกิดใช้สื่อแทนเฉยๆนะตอนนี้รู้สึกยังไงครับเฉยๆสุขทุกข์ บางคนรู้สึกโอ้ทํานไมร้อนอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ความรู้สึกก็เริ่มเป็นทุกข์เป็นเวทนาตัวหนึง่งวิญญาณก็ตั้งอาศัยนึกถึงคนที่ท่านรักวิญญาณก็ไปตั้งอาศัยอยู่ในสัญญาถ้าคิดถงหน้าเฉยๆแต่ถ้าปรุงแต่งว่าโอ้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ไปเที่ยวด้วยกันเอาละตอนนี้เป็นปรุงแล้วพอปรุงก็เดี๋ยวเกิดเป็นเวทนาซ้อนเข้ามาอีก ความรู้สึกก็เป็นเวทนาซ้อนขึ้นมาอีกพอเข้าไปสังเกตก็เริ่มทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์ก็ว่ากันไปเอาละเริ่มเข้าใจละขันห้าหลังจากนี้จะได้พูดง่ายหน่อยเราเข้าใจขันห้าในเชิงปฏิบัติจริงทีนี้ลองกลับมาสู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้ท่านที่นั่งสมาธิมาวันกว่าๆมาเห็นความจริงของขันห้ากันหน่อยขณะที่ท่านนั่งรู้ลม ได้ยินเสียงละกังเสียงกระทบขณะนั้นกำลังคิดอยู่วิญญาณตั้งอาศัยอยู่ที่สังขารสมมติวิญญาณสังขารเนี่ยวิญญาณตั้งอาศัยอยู่ที่สังขารพอได้ยินเป้งเสียงกระทบปั้งวิญญาณดับสังขาร วิญญาณเกิดที่รูปรูปเกิดถามว่าก่อนตอนที่กำลังคิดนะ่ะท่านหายใจอยู่ไหมหายใจแต่เหมือนไม่ได้หายใจถูกไหมเพราะมัวแต่คิดพอฉายปั๊บลมหายใจมีเลยมันเพิ่งมีตอนลมฉายไอ้ตอนไฟฉายเหรอเปล่า ว, วิญญาณมันฉายเมื่อไหร่เมื่อ น, นั้นมี วิ่งฉันเห็นการเกิดดับแล้วขอโทษมันเกิดดับทุกวินาทีแหละถ้าจะพูดแบบไม่เกรงใจโยคยีนะอู๋ฉันเห็นการเกิดดับแล้วเพิ่งเห็นเหรอถ้าจะพูดแบบควรแบบแบบไม่ไม่ใส่ใจเลยเนี่ยนะไปดูไป ม, มันเกิดดับทุกวินาทีเพิ่งเห็นไงพูดอย่างนี้นะไม่หรอกจะพูดส ก, กิจเหมือนไม่ได้เกิดดับตอนที่คุณเห็นหรอกมันเกิดดับตลอด ล้าทำไมไม่เห็นน่ะก็โง่เลยจะไม่เห็นจิตโง่ไม่ใช่เราโง่เดี๋ยวหาว่าผมว่าอีกเอี้อนเดี๋ยวเวลาเหมือนกับที่พระพยอมเวลาเทศเ <c oughs> ทศอยู่ในศาลาเทศไปเทศไปมีคนหนึ่งผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงกว่าทนไม่ไหวลุกขึ้นพวดเลยตะโกนพระอะไรวะเทศทั้งการด่ากูคนเดียวคนมีทั้งเยอะด่าแต่กูแล้วก็ลุกออกไปเลย อืมเทต้องการด่ากูคนเดียวมืนอนว่ากูฟังด่ากูคนเดียวกพูดไปเรื่อยๆด่าใครที่ไหนพอมันฉายตรงไหนตรงนั้นเกิดเอาละ่ะทีนี้ดูให้เห็นอย่างนี้นะถ้าเห็นอย่างนี้นะพระเจ้าตัดว่าไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะอย่างเนี้ยถึงนิพพานเลยถ้าใครเห็นอย่างนี้นะ ท่านรู้ลมวิญญาณเกิดที่รูปเนี่ยมันสัมผัสเลยสัมผัสได้เพราะวิญญาณมันใชยย่แหละแต่จริงๆวิญญาณไม่ได้แช่อยู่นี่แหละมันเกิดดับอย่างเงี้ยแต่ผมกดไม่ทนันเดี๋ยวเดี๋ยวไฟฉายพังนะจริงๆมันต้องดับ ด, บดบเปิดเิดอย่างนี้แหละเพราะว่าวิญญาณก็เกิดดับรูปก็เกิดดับมันเกิดดับกันหมดนะเสร็จแล้วสักพักเกิดอะไรขึ้นครับคิดเลยมันไปฉายที่สังขาร วิญญาณไปตั้งอาศัยอยู่ที่สังขาราไม่เป็นลร ว, วิญญาณไปตั้งอาศัยอยู่ที่สังขารก็ท่านคิดไปเรื่อย เ, เกิดไปคิดปรุงถึงคนที่เราไม่ชอบขี้หน้าแล้วก็ไปถึงเรื่องราวใหญ่โตใจเริ่มเป็นทุกข์โอ๊ยทุกข์อีกแล้วฉันวิญญาณดับจากตรงนี้สังขารมาเกิดที่เวทนาวิญญาณเกิดที่เวทนาแล้วโอ๊ยปวดเข่าจังเลย วิญญาณไปตั้งอยู่ที่เวทนาทางกายโอ้ยทรมานจังอยากเปลี่ยนขาจังตอนนี้เวทนาไป ว, วิญญาณไปตั้งอยู่ที่เวทนาทางใจใชแชร์ไว้ก่อนดียวก่อนเดี๋ยวฟังนะโอ้ยทุกจังเป็นมาอยู่กับรูปมาอยู่กับลมอีกวิญญาณมาตั้งอาศัยอยู่ที่รูปเห็นการเกิดดับของขันไหมเห็นไหม เห็นอย่างเนี้ยใครเห็นแต่อย่างเนี้ยวินาทีหนึ่งมันจะพร่งกันแลว่าเราอยู่ไหนวะแล้วมันจะหวงเวงพิกลในตอนนั้นเพราะมันนึกว่ามีนี่เราเป็นคนดูแต่เปล่าพอท่านตั้งมั่นขึ้นมาถึงจุดแล้วเห็นความจริงเราอยู่ไหนวะเนี้ยมันไม่เคยมีเรามาก่อนเลยเขาทํางานกันเองหมดเลยนะเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้บงการด้วยวันหนึ่งเนี่ยถึงน้ําตาร่วง นี่เราไปเอาอะไรมาเป็นเราตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเราเองยังไม่มีเลยแล้วเรามาบอกว่าอะไรเป็นเราเนี่ยเอ้าเฮ้ยมันจะเริ่มงงแล้วอ๋แล้วนี่ไงยกแขนได้นี่สั่งได้แล้วยังไม่ใช่เราอะ่ะเอาละมันจะเริ่มขัดกันละขอให้มันขัดกันสักทีเพราะตอนนี้มันไม่ขัดกันบ้างเลยให้มันขัดกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบอกต่อไปเนียมาเข้าคอสหน้าแล้วเดี๋ยวคอสหน้าไม่มีคนช่วยยพูดหน่อย เอาล่ะนะทีนี้ถ้านั่งสมาธิลองใหม่ค่อยๆชี้นำไปก่อนก็ได้โอ้ยอย่างนี้คิดเอาเดียสุตตะจินตานะเพื่อให้เกิดภาวนาฟังสุตตาบ้างแล้วก็จินตนาการตามนะแล้วเดี๋ยวมันจะขีดล่องเนื่องจากว่าเราเป็นสาวกกรนะูมนะเราตรัสรู้เองไม่ได้ ต้องอาศัยปัญญาการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ท่านนำถ้าชาตินี้ทั้งชาติไม่เคยได้ยินไตรลักษณ์เลยเนี่ยนะมันไม่ตรัสรู้ขึ้นมานะแต่หลายล้านชาติหลายแสนชาติแสนมหากรที่แล้วท่านคงเคยได้ยินมาแหละมันถึงพอเข้าใจได้แต่ถ้าอยู่ๆให้ตรัสรู้ไตรลักษณ์ขึ้นมาเลยเนะี่ยคงระบากอาจจะมองเห็นได้บ้างแต่ว่ามันไม่เข้าไปเห็นอย่างที่ผมบอกหรอก เขาไม่รู้จักขันรู้จักแต่เราอะลองดูนะครับทีนี้ผมจะให้ท่านนั่งสมาธิสั้นๆก่อนก่อนที่จะไปเรื่องอื่นเป็นก็วิญญาณก็ตั้งอาศัยอยู่ที่ลมที่รูปนี่แหละลมนี่เป็นกายนะครับเขาเรียกกายลม ลมไม่ใช่แบบเป็นนามธรรมานะลมเป็นกายเพราะฉะนั้นวิญญาณตั้งอาศัยอยู่ที่กายนี่แหละกายลมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบเออไปคิดวิญญาณก็ดับจากกายลมเนี่ยแล้วไปเกิดที่สังขารการปรุงแต่งพอมีสติระลึกปั๊บมันกลับมาอยู่กับกายลมใหม่มันดับจากสังขารสังขารก็ดับด้วยเห็นมันดับพร้อมกันแล้วมาเกิดใหม่ลมเกิดแจ้งขึ้นมา ถีดล่องไปก่อนร่องอย่างเนี้ยเป็นสัมมาทิฏฐิมันจะชี้ตรงก็ไปที่สัมมาทิฏฐิเลยล่ะตรงก็ไปที่ขันห้าเลยแล้วเดี๋ยวมันจะละสักกายทิฏฐิได้ในที่สุดแ ม, แ, แม้แต่ลมหายใจเองเนี่ยก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรา ผู้รู้ที่ไปรู้ลมก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทุกอย่างว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนกันหมดเลยเพราะเรามีมิจฉาทิฏฐินยนะมันถึงทุกข์กับสิ่งที่เกิดเกิดดับๆับสภาพทุกข์มันก็เป็นของมันอยู่แล้วเราไปเอาสภาพทุกข์มาเป็นเราแล้วทำไมมันจะไม่ทุกข์ลมหายใจเข้าออกได้ เพราะมีเหตุมีปัจจัยก็คือปอดมันบีบเข้าขยายออกบีบเข้าขยายออกทำไมมันถึงบีบเข้าขยายออกเพราะมันต้องการลมต้องการออกซิเจนเข้าไปเข้าไปฟอกเลือดแล้วก็เข้าไปสูดฉีดทั่วสารพรางกายทุกอย่างทํางานตามเหตุตามปัจจัยกันหมดมีของเรามีเราตรงไหนดูลมสักภพักก็ลมนึ็นของเราอีก ก็ไม่รู้เอาไปยึดลมก็ไปแล้วจะ ส, ส, สลายความยึดลมได้ยังไง mm. ก็ต้องปล่อยให้มันเห็นว่าเอามันมาเพราะ ม, มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเพราะมีเหตุดับไปเพราะหมดเหตุเกิดขึ้นเพราะมีเหตุดับไปเพราะหมดเหตุมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเฉยๆเป็นลมหายใจทั้งเครับให้เห็นตามความจริงดูไปดูมาไอคนที่ไปดูเขานั่นแหละนึกว่าตัวเองที่ยงอีกเป็นตัวตนขึ้นมาอีกว่ากูรู้แล้วเอ่ะแลกูไหนอีกล่ะ วิญญาณเป็นกูขึ้นมาอีกจะนิพานกันยังไงทีดีอะไรอะไรก็หลุดจากตรงนั้นก็มาเป็นกูตรงนี้อีกแต่มันก็ต้องหลุดทีละทวารทีแหละหลุดลทวารทีก็เอาวิญญาณเอาจิตไปดูนามรูปก่อนเดี๋ยวก็เห็นวิญญาณเองว่าวิญญาณตัวมันเองก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันก็เริ่มไล่ดับกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอวิชชา ก็ไปที่สุดแห่งทุกที่นุ่นถ้าปฏิบัติอย่างนี้ไม่นานพุ่งตรงไปที่เป้าอย่างเดียวไม่เสียเวลาไม่ลังเลกับอะไรทั้งนั้นเห็นความจริงตามความเป็นจริงให้มันช่วงๆหรือร้อยขนพันหนหมื่นหนแสนหนมันจะไม่โผล่ขึ้นมาก็ให้มันรู้ไป ว่ในเมื่อของมันไม่มีอยู่แล้วพิสูจน์ยังไงมันก็ต้องไม่มีมันจะมีขึ้นมาได้ยังไงมีก็แปลแสดงว่าพิสูจน์ผิดแล้วแล้วก็ไม่ต้องเชื่อตามด้วยนะครับไม่ต้องเชื่อตามปัญญาการตัดสรุปของแต่ละคนเนี่ยมีธาตุรู้พอที่จะตัดสรุปเองได้เลยเชื่อตามไม่ใช่ปฏิบัติตามมรรคแล้วจะตัดสรุปเองลมหายใจแค่เข้าเข้ๆออ ก, ออกไม่ใช่ของเรา แต่วันนี้ต้องการความตั้งมั่นของสมาธิทำไมชิ้ดูไม่ออกอย่างที่พูดเพราะจิตมันไม่ตั้งมั่นมันจึงถูกผสมกลายเป็นเราไปหมดค่อยๆให้จิตตั้งมั่นขึ้นมานะครับท่านรู้หลักการและใจเย็นๆไม่ต้องหัวงทีนี้ก็เริ่มฝึกองค์ประกอบเหมือนตอนนี้เราเราเริ่มรู้แล้วว่าคู่ต่อสู้บนเวที เราจะจัดการยังไงแต่สิ่งที่ท่านไม่มีตอนนี้คือกำลังท่านต้องลงจากเวทีแล้วไปกระโดดเชือกวิดพื้นจ็อกกิ้งยกดัมเบลท่านเริ่มรู้หลักการที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้แต่ท่านไม่มีกำลังท่านรู้แล้วว่าจุดอ่อนของไม้ไท่สันอยู่ที่ไหน แต่ท่านจัดการไม้ไถสันไม่ได้จนกว่าท่านจะพัฒนากำลังของท่านกำลังตรงนี้เนะี่ยได้จากการเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วนั่งไม่เห็นได้อะไรเลยเบื่อจะตายก็มันเผาเบื่ออยู่นั่นไงทำไมต้องดิ่งเลยล่ะให้มันเผาเบื่อก่อน เบื่อตายหมดนิวร์ตายหมดเดี๋ยวมันก็นิ่งเองหละคนอื่นที่เขาเผ า, าเบื่อหมดแล้วเนี่ยเขาก็นิ่งอุดอัด จ, จะนั่งไม่ได้ก็มันกําลังเผาอุดอัด อ, อยูไ่ไงมันถึงนั่งไม่ได้ถ้าลุกก็เสร็จมันสิก็นั่งให้เผากันอยู่นั้นแหละกลัวอะไรขันติกําลังทํางานอยู่ให้เวลาขันติเขาเผาบ้างมองให้มันเป็นอย่าให้มันเป็นเรา ไม่งั้นพระเจ้าจะบอกคันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเลยก็เบื่อเบื่อกันั้งให้มันเผาไงขันติกาลังทํางานให้อยู่ไม่ช่วยเขาบ้างเลยเหรอไปตามใจกิเลสก็ให้อาหารมันใหม่สอุตส่าห์เผามาตั้งนานาไปให้อาหารมันอีกมาถึงคันติก็ต้องนั่งเผาใหม่เริ่มต้นกันใหม่อีกทนก็ไปอย่างนี้แหละนะใครไปเข้ากอดผมบอก อ, บ อ, อ, อ้เบือนะ่อจังเออเบื่อน่ะดีนจะเผา เ, ผาเบื่อันด้วย นั่งให้มันเบื่อจนมันหมดเบื่อแหละแล้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่วิชาต่อไปทำไมพระเจ้าบอกนั่นโคนไหมนั่นเลือนว่างเข้าไปมันเบื่อจ้มันไปเผาเบื่อไงเผาจนมันสงบแล้ว ก็ผู้จ้าตัดว่าพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าต้องเป็นผู้ร้อนใจในภายหลังเลยก็เผามันเข้าไปเลยกลัวอะไรแต่เวลาเผานะันมันร้อนแต่ไม่ใช่เราร้อนหรอกมันนะ่ะร้อนเราต้องทนหน่อยเราอยู่หน้าเตาหลอมก็ต้องทนหน่อยเตาหลอมมันไม่ได้หลอมเรามันเหลวมเหล็กอยู่ข้างในหลอมกิเลสแต่ก็ต้องทนหน่อยเราเลยสับสนนึกว่ามันเผาเราเปล่ามันเผากิเลสอยู่แต่เราร้อนด้วย อดทนหน่อยคนที่เข้าบ่อยๆก็รู้สึกว่าโล่งแล้วอ่ามันเผาะจนหมดแล้วไม่หมดเผาไว้เยอะแล้วก็เบาลงอะครับพอสมควรครับเบรก ให้ท่านไปเดินผ่อนใครอยอิย บ, บทะครับมันเผาจนเกลียบหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปเติมมาหาให้กิเลสหน่อยนะเห็นไมเริ่มไม่ค่อยมีเราอ่ะพูดไปสักเริ่มรู้เรื่องกันแล้วพูดภาษาเดียวกันแล้ว แปลค่าตอนขณะที่ฟังผมอยู่เนี่ยเสียงเนี่ยเป็นอยนายตนะภายนอกกระทบหูอยายตนะภายในเกิดโสตะวิญญาณวิญญาณเข้ามาแปลค่ามันถึงฟังรู้เรื่องถ้าเป็นภาษาอื่นภาษาแขกวิญญาณก็แปลไม่ออกเพราะในพระเจ้าตรัสว่าสัญญาจะทํางานอยู่หลังผัสสะนะครับเมื่อผัสสะพวกจะเกิดสัญญาแต่นี้ถ้าผัสสะแล้วไม่มีสัญญาพวกใบ้เลยนะวิญญาณมาแปลก็แปลไม่ออกนะก็ต้องผสมกัน สัญญากับสังขารวิญญากับผสมกันขณะที่ฟังเสียงผมก็คือวิญญามาแปรค่าไปเรื่อยๆก็ไม่มีเราอยู่ดีแล้วก็เกิดความเข้าใจแล้วก็จะทำอะไรต่อไปก็ว่ากันไปครับมันก็ผัดกันทำงานอยู่อย่างนี้กลับไปกันมา